นั่นเองก็อยากจะให้นักปฏิบัติของเราเนี่ยได้พัฒนาตนเองเห็นความสาคัญของร่างกายแล้วก็การที่เรามาเห็นความสาคัญไม่ใช่ว่าเราจะไปบารุงบาเลอหลงไหลสาคัญมั่นหมายในกายของเราเองไม่ใช่แต่เราเห็นว่ากายใจนี้เป็นเครื่องมือเป็นมรที่จะเดินทางไปสู่มรผลิพานถ้าลด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 สังคะกกายกับใจเขาด้วยกันสังฆะเรากับเพื่อนเขาด้วยกันสังฆะธาตุสี่ภายนอกกับภายในเขาด้วยกันนี่แหละคือพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสดุดแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนี่การเดินทางเราก็สนุกปลอดภัยไร้กังวล น, นะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภัยเมื่อรถเราไปถึงเป้าหมายสูงกว่เดินทางหน0 0งกิโล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 ที่ว่านิทานเรื่องปัจจุบันสำคัญที่สุดหลายคนเคยได้อ่านแล้วใช่ไหมหมอจำได้ไหมมอเล่าหลายครั้งนะเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดคุณอาจานาอาจารไม่ได้นล้แต่เคยฟังหลวงพ่อเล่าแล้วใช่ไหมนั่นเห็นไหมต้องไปบริหารความจำให้ดีขึนะ้นแล้ว <laughs> มีละคร <laughs> ใครจะจาได้บ้างคุณเจรันก็เคยฟังเนาะปัจจุบันสำคัญที่สุด ไม่เคยเคยแต่ลืมไปแล้วด้วย <laughs> <laughs> เออเวลาปัจจุบันสัง่งัาที่สุดนะแล้วก็ <c oughs> เ, เขาพระราชาที่ปกของแคว้นเนี่ยแห่งหนึ่งนะที่เขาไป <c oughs>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 แต่ไม่แต่ละคนว่าคาตอบไม่ตรงกันเลยแล้วทํายังไงที่จะหาคําตอบที่ตรงกันได้ถ <c oughs> ึงก็ะดีขรองร้องเปล่าหาผู้ที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็ไม่มีแต่ปรากฏว่ามี อ, อ, อามาทผู้หนึ่งอามาทผู้นี้งคงจะมีอะไรดีนะเข้าไปตอบบอกว่าผู้ที่จะตอบปัญหาสามข้อนี้ได้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 ก็มาลางทำบาดแผลทำอะไรปรากฏว่าคืนนั้นถ้าคืนจนดึกคนป่วยที่ถูกแผลได้รับแผลมันก็สรุปหลับไปท่านก็ขุดดินมาทั้งวันเไปไ็นเมื่อแล้วก็หลับไปพขาลุษสีก็ก็หลับไปเหมือนกันตื่นเช้าขึ้นมาพระราชาก็เห็นชายคนนั้นก็ฟื้นละที่ถูกแทงมา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 พฤติกรรมของตัวเองคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือสามองค์ประกอบที่เราไปสู่เป้าหมายหนึ่งสุขภาพกายสองสุขาิตสามพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ตอบปัญหาสามข้อนี้ได้ด้วยคุณวชลรินต้องเอาไปพิสูจน์นะสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมลดต้องคุนนะ่ะเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมอ่านั่นแหละไปรักษาให้ดีใช้พุทธโอสถอย่าใช้แพทโอสถ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 ในช่วงที่เราเด้งตัวขึ้นกับช่วงที่มันรถชนเนี่ยมันจังหวะเดีวยวกันตัวเราก็ลอยใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อมันหยุดแล้วเนี่ยหน้าผ่าวจะมาไปโขกกับไอ้ไอ้ขอบประจกอ่ะตรงเนี้เมื่อถึงจะแตกนะโนเขียวช้ําน่แต่อีกคนนึ่งนุ่มถูกอัดก็พี่งันเนรถไม่ใช่รถไอ้รถสอยจอโอ้ที่ที่ทำไงแล้วก็เป็นนักปฏิบัติทำแล้วจะฟ้องจะาร้องเอาเรื like right. <im ley song writer> ่องเอาราว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 ที่นี้มามีก่อนหน้าที่ไปที่นั่ไปอยู่สวนโมกมาก่อนอสวนโมกเขาไอ้ใบเขาวัวเทาลืองในสวนโมกมันมีเยอะใช่ไหมใบเนี้ยถ้าไปไปคั่วไปขั่วให้กรอบแล้วไปตากแดดมันจะกรอบเหมืนชาแล้วเอาใบชานี้ไปชงแล้วใบเถาวัลยเทลิงที่ไอ้เถานี้มันขึ้นต้นไม้สูงไงเราเห็นแต่ต้นมันทนี่เรียจะเอาใบมันพอใบเวลาไปอบไปเผาแล้วตากแล้วหอมมาก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 ลงข้างถนนเลยนึกภาพบ อ, อกไหมว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแต่ละงานนี้นเรียกวา่าชกเลือดทั้งนั้นปรากฏว่ารถกิ่งไปไม่รู้กิตหลบเอามาเหวี่ยงตัวตามไอ้รถเลือ่อหนหมุนนั่นนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดสปริงตัวออกมาของมาันเองไอ้เราก็นัง่งหลังคนขับนั่นแหละเสร็จแล้วปรากฏว่ารถหยุดเอามาก็เราไม่เป็นไรเนี่ยข่อกดข้อบาด ท, ที่ติดอยู่ ไอ้ข้างในรถเน่ยออกกระจกกระจกข้างหน้ามันแตกหมดใช่ไหมเราก็ไต่ออกมาเดินขึ้นรถข้าหน้าไปเฉยเลยเนะ <laughs> ดินเช้ามามาอ่านซนัอพิรถมีข้าข้าประสานสิบลอ้อโชเฟอหักวงมาลัยหลบรถสิบลอ้อลงข้างนึ่งตายสามสิศพบาดเจ็บเป็นร้อยวางั้นโอ้โหเหตุการณ์นั้นจําในแม่นยำเลยเออแล้วรอดมาได้ยังไงอันนี้ก็เลยเห็นคุณของสติไง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 ตัดความคิดตัดนิวร์ได้ก็แสดงว่าวไม่ใช่วิธีการไม่ถูกนะแต่เรามันไม่แมทกับเราอะ่ะไม่แมทไปสติปัญญาของเราอะ่ะแต่พอมาเจอหลวงพ่เทียนมันมีรู่ทางมันมีทางออกก็ริ่มตามมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาเก็บอารมณ์ช่วงสุดท้ายกับหลวงพ่เทียนซึ่งหลวงพอ่อเโอ้โหเขี่ยมากเลยนะภาษาสองเก้านันเพราะเราไม่เคยเก็บอารมณ์เข้มๆต่อเนื่องกัน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 เราก็นอนจะนอนสร้างจังหวะกล่ามันจะนอนไม่หลับใช่ไหมเราก็มาตามดูมหายใจดูตามไปตามมาบอกว่าจิตของเราวึกพอกลมหายใจหายไปเลยนะ่ะนิ่งไปเลยทือไปเลยเหมือนกับไม่มีลมหายใจทื่อนิ่งไปเลย <c oughs> ก็ปรากฏว่ามันจะดิ้นก็นไม่ได้ตัวมันแข็งทื่อไปเลยอะ่ะเป็นอยู่่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง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 การเลี้ยงลูกโตในแล้วคนมันขนาดไหนใช่ไหมต้องใช้เขาจะอดชีวิตต้องหาเงินหาทองอะไรมากมายอ่ะแล้วกว่าเราจะหันมาศึกษาธรรมะเราก็เต็มไปได้วยทิฏฐิมรนะเต็มไปด้วยอัตตาเต็มไปด้วยวิชาทิฏฐิแล้วอัตตาที่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามามต้องใช้อัตตาสูงใช่ไหมเมืนอไงเลี้ยงเขาไม่รอดอราต้องใช้ทิฏฐิสูงเหมือ่อังเอาชนะลูกไม่ได้ฉันต้องดีกว่าแกงมันต้องใช้เยอะ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 ตั้งแต่ช่วงนี้จะไปถึงสักเทา่าไหร่โ ม, ง, มงเย็นเนาะแล้วก็กลุ่มที่ <Okay. S 1> เพนก็ต้องมารับปกติที่ะจะให้ไปส่งจะให้ไปส่งก็ได้นะพินโตไม่มีนะก็ <c oughs> <c oughs> มาทานเดียเด๋ยวๆนะจัดแล้วก็ไนั่งทานที่ไหนก็ได้ก็ม <c oughs> ีละนาเมีละคันอ่าทานที่ไหนก็ได้ตัดแล้วคุณไปนั่งทานที่